จะเป็นชั้นเดียวจะเป็นขัดสมาธิอย่างนี้จะเป็นขัดสมาธิเพชรนั่งนานๆนต้องเนีดึงออกจะากออกนั่งเราก็พยายามถือตามแบบอย่างตามเยี่ยงอย่างไม่ใช่เรานั่งยังไงก็ได้เราเดินยังไงก็ได้มันมีแบบอยางอย่างน้อยอย่างน้อยให้มันถูกแบบอย่างแบบอย่างนี่เราต้องรักษาเอาไว้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 เ <c oughs> ตร็จแล้วท่านให้กำหนดอย่างพุโทโธพุทธโธก็เหมือนกันลองตาท่านมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือพุทธโธทียิบอีกแบบหนึ่งก็คือพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโธหายใจออกแต่วิธีพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกกํากับด้วยลมนี่มันถูกกับจริตนิสัยทุกคน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 เรามาเริ่มต้นที่รากเงาเข้าหมูนอย่างนี้มันจะทำให้เราตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วมันเป็นการมาฝึกซ้อมอเราจะเรียกวอรเรียกว่าฝึกซ้อมอาวุธหนักเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่เห็นขัดกันนะยิ่งนั่งสบายได้สบาปนั่งภาวนาสบายจิตได้รับความสงบยิ่งสบายเข้าไปอีกดีกว่าเราลอง เม่เชื่อลองดูทีสองชั่วโมงเนี่ยลองฟังแต่คำบรรยายอย่างเดียวลองดูไหวไหมเครียดยนั่งฟังกันเครียดบางทีสองสมวันเนี่ยที่เราแบบที่เราทำมีแต่คำบรรยายอย่างเดียวไม่พานั่งภาวนานเลยลองลองดูดิเครียดเลเครียดเลเครียดจนเบือ่อจนทนไม่ไหวนั่นแหละแต่และชั่วโมงผ่านไปโอ้รู้สึกภาวนานได้เกินไม่อยากฟัง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 ไปอย่างมุ่งมั่นด้วยความมั่นใจพูจ้ทีเจ้านะเราไม่รู้จะเอาใครมาเป็นตัวอย่างเราเอาผูทเจ้ามาเป็นตัวอย่างท่านออกไปอย่างมุ่งมั่นออกไปอย่างมั่นใจออกไปอย่างมั่นใจอีกส่วนหนึ่งก็คิดถึงทางบ้านอีกส่วนหนึ่งมาคิดถึงปัญหาที่พันหัวใจของเราอยู่ต้องทรมานต้องทรมานขนาดไหนเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปตา ย, ย่างมันตายชักมันคอยได้ ตุยาลำบากกันดันเป็นเรื่องเล็กน้อยการต่อสู้เหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากวิสัยของพระศัสดาเนี่ยการต่อสู้เพื่อจะเอาหลักธรรมมาเปิดไวยให้กับพวกเราเต้องต่อสู้ความอดความทนต้องเยี่ยมหัวใจยิ่งกว่าเพชรโดยโดยเขาสมมุติว่าสมมติอย่างทะเลเต็มไปด้วยเพลิงเนี่ย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 เรานนาทราบทีหลังกขอว่อนไม่ใช่วิสัยของเราที่จะตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกพูดให้อนนททราบใชยแล้านนท์ต้องต้องฟังต้องเชื่อต้องเข้าใจต้องเชื่อมั่นในในพระพระในพระญาตต้องเชื่อมั่นในญาตของเราพระนอนต้องเชื่อมั่นในพระญาตของพระเจ้า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 แต่ในขณะเดียวกันมัดกาลังอบรมอยู่ในอยู่ในนั้นปัญญากาลังอบรมอยู่อยู่ในนั้นล่ะถึงการั้งข่าวเขาจะโผล่มาให้เราเห็นความแปลกปราดอาศัศจรรย์<ม>ทั้งภาคความสงบทั้งภาคปัญญาภาคความสงบเรากำลังให้สงบเขาก็จะสงบภาคปัญญา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 ยกช่วยไหมละครช่วยอเปล่าออ้ยอ้ยอ้ยฮะละครช่วยยกช่วยอเปล่าแล้วนั่งยาวๆดี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 ปลุกตะโซกเวทนาได้นะโอ้ตื่นเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราเลยเปลี่ยนเลย <c oughs> เอาเวทนามัดอย่งนั้นแหละต้องเอาเป็นเอาตายโซ่้ต้องถึงขั้นเอาเป็นเอาตายจริงๆนะไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ดอกโเอาปานนั้นเลเอาปานนั่นเลยเอาปาน น, <c oughs> าานันแหละ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 ส่วนวันนี้เราแนะนำก่อนเพราะการสวดมนต์นี้เราหลายหลายคนหลายสํานักบางคนก็ไม่ได้ฝึกหัดมาบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้ฝึกหัดภาษาบาลีนั้นภาษาบาลีกับภาษาไทยก็าาไม่ต่างกัน เช่นอย่างนี้บทมาหนเนี่ยเาบทมาหนึ่งเสียงสระ a u มีเรียกสระเสียงสั้นให้เราว่าเร็วๆอาระหังอาระหังสัมมาสัมภะา a i u e o เศรระอรระ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 วุบิทางวุฒคืออะไรอุลองว่ายาวๆดูว่าได้ไหมอุอุนี่ยาวไม่ได้อุอ้ามันกลายเป็นอูไปแล้วไหมมันกลายเป็นอูไปแล้วเราจําหลักได้แค่นี้เราสวดถูกกันหมดจะต้องไปดูให้ชัดว่าอีอุอังเอเสอเอมีเสเอ เสอเอย่างเยโเอตัวสอเสือและยอยักยยักไม่ใช so yeah. right ่เสเยเหมือนตกเคยเป็นภาษาไทยไม่ใช่ตัวยยักเป็นตัวสกุลเสอเยโนี่ยเสียงสั้นยโตรงไหนเยโตรงไหนเยโตรไหตรงไหน อโอาหุนัยโยเอหนิอาหุนัยโยปาหุนัยโยเ่าหุนัยโยปาหุนัยโยเฉยเฉยตัวย่ยักษเป็นตัวสะกดตัวยยักษเป็นตัวสะกดอาหุนัยโยปาหุนัยโยดักกินโยอันเจริารไนโย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 เนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามไม่ยอมลุกนั่นคำว่าสัจจะในทั้นี้คือเนื้อเลือดเหือดแห้งไปก็ตามนั่นคือตัวสัจจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดอธิฐานก็คือปรารถนาก็คือถ้าไม่ได้พระโพธิญาณจึงบวกกันเป็นสัจจาทิฐานสัจจาทิฏฐานสัจจะบวกอธิฐานสัจจาทิฐาน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 เกี่ยับตัวกลัม่มทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะเป็นภาษาสันกต mm hmm. เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้